ไตรปิฎกเล่มที่34พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่หนึ่งเสียงอ่านโดยประทุมทองสเวีพระอภิธรรมปิฎกธรรมสังคณีขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น มาติกาติกะมาติกา22ติกะหนึ่งกุศลติกะกุศลาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอภพยากตาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตสองเวทนาติกะสุขายะเวทนายะสัมปยุตตาธรรมมาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา ทุกขายะเวทนายาสัมปยุตตาธรรมาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาอทุกขมสุขายะเวทนายาสัมปยุตตาธรรมมาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาสวิปากติกะวิปากาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นวิบากวิปากธรรมะธรรมาสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก เนววิปากนาวิปากธรรมะธรรมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก 4. อุปาทินติกะอุปาทินุปาทานิยาธรรมาสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน อนุปาทินนุปาธานิยธรรมมาสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอนุปาทินานุปาธานิยธรรมมา ع, สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานห้า สังกิริธาติกะสังกิริธาสังกิเลสิกาธรรมมาสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสอสังกิริธาสังก er ิเลสิกาธรรมมาสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอสังก the ิริธาสังกิเลสิกาธรรมมาสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสหก วิตกติกะสวิตกะสวิจาราธรรมมาสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารอวิตกะวิจารมัตาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอวิตกาวิจาราธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารเจ็ดปีติติกะปีติสหคตาธรรมมาสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติ สุขสหคตาธรรมมาสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขอุเปกขาสหคตาธรรมมาสภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขา 8. ทัศนติกะทัศเนนะปหาตพาธรมมาสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักภาวนายะปหาตพาธรรมมาสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม เนวทัศนเนน ะ, นะภาวนายะปะหาตัพาธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนส 9. ทัศนเหตุติกะทัศนเนนะปะหาตัพเหตุกาธรรมมาสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัก ภาวนายะปหาตับเพเหตุุกาธรรมาสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมัชเบื้องบนสาเนวทัศเนนะภาวนายะปหาตับพเหตุุกาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัชและมัชเบื้องบนสามสอาจยคามิติกะอาจยคามิโนธรรมาสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุดติ อปจยายคามิโนธรรมาสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเนวาจยายคามิโนนาปจยายคามิโนธรรมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานสิบเอ็ดเซฆติกะเสขาธรรมาสภาวธรรมที่เป็นของเซฆาบุคคลอเซฆาธรรมาสภาวธรรมที่เป็นของอเซฆาบุคคล เนวเนสขานาเสขาธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุของเสกบุคคลและอเสกบุคคลส2องปริตติกะปริตตาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นปริตต์คือกามาวจรมหคตาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นมหคตาคือรูปาวจรและอรูปาวจรอปรมานาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นอัปมานะคือโลกุตระ 13. ปริตตารั ม, มณติกะปริตตารัมนาธรรมาสภาวธรรมที่มีปริตตะคือกามาวจรเป็นอารมณ์มหาคตารั ม, มนาธรร ม, มาสภาวธรรมที่มีมหาคตะคือรูปาวจร อ, อรูปาวจรเป็นอารมณ์อปปมานารมมัรมนาธรรมาสภาวธรรมที่มีอัปปามณะคือโลกุตระเป็นอารมณ์สิบสี่หินติกะ ฮีนาธรรมมาสภาวธรรมชั้นต่ำมัชชิมาธรรมมาสภาวธรรมชั้นกลางปณีตาธรรมมาสภาวธรรมชั้นประนีตสิบห้ามิจฉัตตติกะมิจชัตตนิยตาธรรมมาสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนสำมัตตนิยตาธรรมมาสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอน อนยตาธรรมมาสภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้น 16. มัคคารัมณติกะมัคคารัมนาธรรมมาสภาวะธรรมที่มีมัคเป็นอารมณ์มัคเหตุกาธรรมมาสภาวะธรรมที่มีมัคเป็นเหตุมัคติปติโนธรรมมาสภาวะธรรมที่มีมัคเป็นอธิปดี 17. อุปนัตติกะ อุปปนาธรรมมาสภาวธรรมที่เกิดขึ้นอนุปันาธรรมมาสภาวธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นปุปาธิโนธรรมมาสภาวธรรมที่จะเกิดขึ้นแน่ น, น 18. อนสิบอตีตติกะอตีตาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นอดีตอนาคตาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นอนาคตปัจจุปันาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบัน สิบเกอตีตารัมมะติกะอตีตารัมมนาธรรมมาสภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์อนาคตารัมมนาธรรมมาสภาวธรรมที่มีอานาคตเป็นอารมณ์ปัจจุบันารัมมนาธรรมมาสภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ยี่สิบอชตติกะอัจตตาธรรมมาสภาวาธรรมที่เป็นภายในตน พระหิทธาธรรมมาสภาวธรรม ท, ie, ท perder, ker, ี่เป็นภายนอกตนอจชตับพระหิทธาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นภายในตนและภายนอกตนยี่สิบเอ็ดอจชตารัมณติกะอจชตารัมนาธรรมมาสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์พหิทธารัมนาธรรมมาสภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์อจชะต์พหิทธา ร hmm. ัมนาธรรมมาสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ยี่สิบสนิทัศนติกะสนิทัศนสัพปฏิคาธรรมมาสภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้อนิทัศนสัพปฏิคาธรรมาสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อนิทัศนาปฏิคาธรรมมาสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ ติกมาติกายี่สบสองติกะจบทุกกะมาติกาหนึ่งรทุกะ ก, ทกะหนึ่งเหตุตุโคโจจกะหนึ่งเหตุตุทุกกะเหตุตุธรรมาสภาวธรรมที่เป็นเหตุนะัเหตุตุธรรมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุสองสเสหตุกะทุกก ะ, ะเสหตุกาธรร ม, มา สภาวธรรมที่มีเหตุอเหตุกาธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุสามเหตุสัมปยุตตะทุกกะเหตุสัมปยุตตาธรรมมาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุเหตุวิปยุตตาธรรมมาสภาวธรรมที่วิปยุตจากเหตุสี่เหตุเสหตุกะทุกกะเหตุเจวธรมมาเสหตุกาจะสภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุ เสหตุกาเจวะธรรมานจะเหตุต yes uh, ูสภาวธรรมที문문่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุหเหตุเหตุสัมปยุตตาทุกกะเหตุเจวะธรรมาเหตุสัมปยุตตาจะสภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุเหตุสัมปยุตตาเจวะธรรมานจะเหตุตูสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุ 6. นัเหตุเสหตุกะทุกกะ ในเหตุูโขปณ ะ, ะธรรมมาเหตุกาปิกสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุในเหตุูโขปณ ะ, ะธรรมม า, าเหตุตูกาปิกสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเหตุโขจัตถะจบ 2. จุลันตะระทุกกะ 1. สึปงสัพจยะทุกกะ สพัพจยธรรมมาสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งอัปั จ, จยาธรรมมาสภาวธรรมทีท่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง 2. สังคตะทุกกะสังคตาธรรมมาสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอสังคตาธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสสนิทนัสนะทุกกะสนิทัสนาธรรมมาสภาวธรรมที่เห็นได้ อนิทัศนาธรรมมาสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้สสัปติฆทุกกะสัพติคาธรรมมาสภาวธรรมที่กระทบได้อปติคาธรรมมาสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ 5. ้รูปีทุกกะรูปิโนธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นรูปอรูปิโนธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปหกโลกิยะทุกกะ โลกิยาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะโลกุตตราธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นโลกุตตระ 7. เจ็ดเกเนจิวินเยยยะทุกกะเกเนจิวินเยยาธรรมมาสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้เกเนจินะวินเยยาธรรมมาสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้จูรันตรทะทุกกะจบสาอาสวะโคจักะ 1. อาสวัตุกกะอาสวาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นอาสวะโนอาสวาธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะ 2. อสาสวัตุกกะสาสวาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะอนาสวาธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ 3. อาสวะสัมปยุตตทุกกะ อาสวะสัมปยุตตาธรรมมาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะอาสวะวิป <execut> ย <able> ุตตาธรรมมาสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะสอาสวะสาสวะทุกกะอาสวาเจวะธรรมมาสาสวาจะสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะสาสวาเจวะธรรมาโนจะอาสวา สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะ 5. อาสวะอาสวะสัมปยุตตทุกกะอาสวาเจวะธรรมมาอาสวะสัมปยุตตาจะสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะอาสวะสัมปยุตตาเจวะธรรมาโนจะอาสวะสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะ หกอาสวะวิปยุตตาสาสวะทุกกะอาสวะวิปยุตตาโขปะนะธรรมาสาสวาปิสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาสวะวิปยุตตาโขปะนะธรรมาอนาสวาปิสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาสวะโคจัตชกะจบ 4. สัญโยชนะโคจัชกะหนึ่งสัญโยชนะทุกกะสัญโยชนาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์โนสัญโยชนาธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์สสัญโยชนียทุกกะสัญโยชนียธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์อสัญโยชนียธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ สสัญโยชนะสัมปยุตตทุกกะสัญโยชนะสัมปยุตตาธรรมมาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชนโยชนะวิปยุตตาธรรมมาสภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์สสัญโยชนะสัญโยชนิยทุกกะสัญโยชนาเจวธรรมมาสัญโยชนิยจะสภาวธรรมที่เป็นสังโยชนและไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน สัญโยชนิยาเจวะธรมมาโนจะสัญโยชนาสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์หสัญโยชนะสัญโยชนะสัมปยุตตาทุกกะสัญโยชนาเจวะธรรมาสัญโยชนะสัมปยุตตาจะสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และสัมปยุตด้วยสังโยชน์สัญโยชนะสัมปยุตตาเจวะธรมมโนจะสัญโยชนา สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์หกสัญโยชนะวิปยุตตสัญโยชนิยทุกกะสัญโยชนะวิปยุตตาโขปะณะธรรมาสัญโยชนิยาปิกสภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์สัญโยชนะวิปยุตตาโขปะณะธรรมาอสัญโยชนิยาปิกสภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์ และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชนโยชนะโคจัตกะจบ 5. คันทะโคจัตกะหนึ่งคันทะทุกกะคันถาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นคันทะโนคันถาธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะสองคันธนิยะทุกกะคันธนิยาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันทะอคันธานิยาธรรมมา สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันทะ 3. าคันทสัมปยุตตทุกกะคันทะสัมปยุตตาธรรมมาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันทะคันทะวิปยุตตาธรรมมาสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันทะ 4. ีคันทะคันทะนิยทุกกะคันถาเจวะธรรมมาคันธนิยาจะสภาวธรรมที่เป็นคันทะและเป็นอารมณ์ของคันทะ คันธนิยาเจวะธรรมโนจะคันธาสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะห้คันธะคันธะสัมปยุตตทุกกะคันธาเจวะธรรมาคันธะสัมปยุตตาจะสภาวธรรมที่เป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะคันธะสัมปยุตตาเจวะธรรมโนจะคันธาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะ หคันธาวิปยุตตาคันธานิยทุกะคันธาวิปยุตตาโขปณะธรมมาคันธนิยาปิสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะคันธาวิปยุตตาโขปณะธรรมาอคันธนิยาปิสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะและไม่เป็นอารมณ์ของคันธะคันธะโคจักะจบ 6. โอคะโคจักะหนึ่ง โอคะทุกกะโอคาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นโอคะโนโอคาธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโอคะ 2. โอคณิยทุกกะโอคณิยาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของโอคะอโนคณิยาธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของโอคะ 3. โอคสัมปยุตตทุกกะโอคสัมปยุตตาธรรมมาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยโอคะ โอควิปยุตตาธรรมมาสภาวธรรมที่วิปยุตจากโอคะ 4. โอคะโอคะนิยทุกกะโอคาเจวธรรมาโอคนิยาจะสภาวธรรมที่เป็นโอคะและเป็นอารมณ์ของโอคะโอคานิยาเจวธรรมาโนจะโอคาสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของโอคะแต่ไม่เป็นโอคะ 5. โอคะโอคะสัมปยุตตาทุกกะ โอคาเจวะธรรมาโอคสัมปยุตตาจะสภาวธรรมที่เป็นโอคะและสัมปยุตด้วยโอคะโอคสัมปยุตตาเจวะธรรมาโนจะโอคาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยโอคะแต่ไม่เป็นโอคะ 6. โอควิปยุตตาโอคะเนยทุกกะโอควิปยุตตาโขปนธรรมาโอคะนิยาปิสภาวธรรมที่วิปยุตจากโอคะแต่เป็นอารมณ์ของโอคะ โอควิปยุตตาโขปะณะธรรมาอโนคณิยาปิกสภาวธรรมที่วิปยุตจากโอคะและไม่เป็นอารมณ์ของโอคะโอคโคจัชกะจบ 7. โยคะโคจัชกะ 1. โยคะทุกะโยคาธรรมาสภาวธรรมที่เป็นโยคะโนโยคาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นโยคะ 2. โยคะนิยทุกกะ โยคณิยาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของโยคะอโยคณิยาธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของโยคะสโยคสัมปยุตตาทุกกะโยคสัมปยุตตาธรรมมาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยโยคะโยควิปยุตตาธรรมมาสภาวธรรมที่วิปยุตจากโยคะสโยคะโยคณิยทุกกะโยคาเจวธรรมมาโยคณิยาจ สภาวธรรมที่เป็นโยคะและเป็นอารมณ์ของยขโยคะโยคนิยาเจวะธรรมาโนเจโยคาสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของโยคะแต่ไม่เป็นยโยคะ 5. โยคะโยคะสัมปยุตตทุกกะโยคาเจวะธรรมาโยคสัมปยุตตาจะสภาวธรรมที่เป็นโยคะและสัมปยุตด้วยโยคะโยคสัมปยุตยยตาเจวะธรรมาโนเจโยคา สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยโยคะแต่ไม่เป็นโยคะภกโยควิปยุตตาโยคะนิยทุกกะโยควิปยุตตาโขปนะธรรมาโยคนิยาปิ ok สภาวธรรมที่วิปยุตจากโยคะแต่เป็นอารมณ์ของโยคะโยคะวิปยุตตาโขปนะธรรมาอโยคะนิยาปิ ok สภาวธรรมที่วิปยุตจากโยคะและไม่เป็นอารมณ์ของโยคะ โยคะโคจฉ ก, กะจบ 8. นิวรณโคจฉกะหนึ่งนิวรณทุกกะนิวรณาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นนิวรณโน 2. นิวรณาธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณสอง น, นิวรณิยทุกกะนิวรณิยาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ อนีวรณิยาธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์สนีวรณสัมปยุตตทุกกะนีวรณสัมปยุตตาธรรมมาสภาวธรรมที่สัมปยุต fashion. ด้วยนิวรณ์นีวรณวิปยุตตาธรรมมาสภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์สี่นีวรณะนีวรณีรณยทุกกะนีวรณาเจวธรรมมานีวรณียาจั สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์นีวรณียาเจวะธรรมาโนจะนีวรณาสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์และไม่เป็นนิวรณ์หนีวรณะนีวรณสัมปยุตตทุกกะนีวรณาเจวะธรรมานีวรณสัมปยุตตาจะสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์ นิวรณสัมปยุตตาเจวะธรมมโนจะนิวรณาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์หนิวรณวิปยุตตานิวรณียทุกกะนิวรณนิวิปยุตตาโขปณะธรรมานิวรณิยาปิสภาวธรรมที่วิปยุตยจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์นิวรณวิปยุตตาโขปณะธรรมา อณวรณิยาปิสภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์นีวรณะโคจัจกะจบเกาปรามาสโคจัจกกะหนึ่งปรามาสะทุกะปรามาสาธรรมาสภาวธรรมที่เป็นปรามาโนปรามาสาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสองปรมามัตถทุกะ ปรามัตถาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาตอปรามัตถาธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตสปรามาสสัมปยุตตทุกกะปรามาสัมปยุตตาธรรมมาสภาวธรรมที่สัมปยุต ด, ด้วยปรามาปรามาสวิปยุตตาธรรมมาสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาตสี ปรามาสปราม e ัตถทุกกะปรามาสาเจวะธรรมาปรามัตฐาจะสภาวธรรมที fit, <mad> e ่เป็นปรามาตและเป็นอารมณ์ของปรามาตปรามัตฐาเจวะธรรมาโนจะปรามาสาสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาตแต่ไม่เป็นปรามาตห้าปรามาสวิปยุตตาปรามัตถทุกกะ ปรามาสวิปยุตตาโขปณะธรรมาปรามัตฐาปิสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาแต่เป็นอารมณ์ของปรามาปรามาสวิปยุตตาโขปณะธรรมาอัปปรามาาัตถะปิสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาตและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาปรามาสโค จ, ะะจัตชกะจบสิมหันตระทุกกะหนึ่ง สารมณะทุกกะสารมนาธรรมาสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้อนารมนาธรรมาสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้สองจิตตทุกกะจิตตาธรรมาสภาวธรรมที่เป็นจิตโนจิตตาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตสเจตสิกะทุกกะเจตสิกาธรรมาสภาวธรรมที่เป็นเจตสิก อาเจตสิกาธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิก 4. จิตตสัมปยุตตะทุกกะจิตตสัมปยุตตาธรรมมาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตจิตตวิปยุตตาธรรมมาสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิต 5. จิตตสังสัทุกกะจิตตสังสัทธาธรรมมาสภาวธรรมที่ประคนกับจิต จิตตวิสังสัทถาธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่รบคนกับจิต 6. จิตตสมุทฐานะทุกกะจิตตสมุทฐานาธรรมมาสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานโนจิตตสมุทฐานาธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเจจิตตสหภูทุกกะจิตตสหพูโนธรรมมาสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิต โนจิตตสหพุโนธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิต 8. จิตตานุปริวัติทุกกะจิตตานุปริวัติโนธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นไปตามจิตโนจิตตานุปริวัติโนธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นไปตามจิตก้า จิตตสังสัทธสมุทฐานทุกขะจิตตสังสัทธะสมุทฐานาธรรมมาสภาวธรรมที่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานโนจิตตสังสัสทธสมุทฐานาธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานสิจ <nos S 1> ิตตสังสัทธสมุทฐานะสหพูทุกขะจิตตสังสัทธะสมุทฐานสหพุโนธรรมมา ส ภ, สภาวธรรมที่บริคุกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตโนจิตตสังสัทธสมุทฐานะสหพุโนธรมมาสภาวธรรมที่ไม่บริคลกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิต 11. จิตตสังสัทธสมุฐาาสมสทฐานานุปริวัติทุกกะจิตตสังสัทธสมุทฐานานุปริวัติโนธรรมมา สภาวธรรมที่บริคุกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเป็นไปตามจิตโนจิตตสังสัทธสมุดฐานานุปริวัติโนธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่บริคุกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเป็นไปตามจิต 12. อัจฉติกทุกกะอัจฉติกะธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นภายในพาหิวราธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นภายนอก 13. อุปาทาทุกกะอุปาธาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปโนโอุปาธาธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูป 14. อุปาทินนทุกกะอุปาทินาธรรมมาสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ อนุปาทินานธรรมมาสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือมหันตระทุกกะจบสิออุปาทานโคจัตกะ 1. อุปาทานทุกกะอุปาทานาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานโนอุปาทานาธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทาน 2. ออุปาทานิยทุกกะ อุปาทานิยธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอนุปาทานิยธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสอุปาทานสัมปยุตตะทุกกะอุปาทานสัมปยุตตาธรรมมาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานอุปาทานวิปยุตตาธรรมมาสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทาน สอุปาทานอุปาทานิยทุกกะอุปาทานาเจวะธรรมาอุปาทานิยาจสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานอุปาทานิยาเจวะธรมมโนจะอุปาทานาสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทาน 5. อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตทุกกะ อุปาทานาเจวะธรรมาอุปาทานสัมปยุตตาจะสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานอุปาทานสัมปยุตตาเจวะธรมมโนจะอุปาทานาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานหกอุปาทานวิปยุตตาอุปาทานิยทุกกะอุปาทานวิปยุตตาโขปณธรรมา อุปาทานิยาปิสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอุปาทานวิปยุตตาโขปณะธรรมมาอนุปาทานิยาปิสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอุปาทานนโคจัชกะจบสิองกิเลสโคจัชกะหนึ่งกิเลสทุกกะ กิเลสธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นกิเลสโนกิเลสธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสองสังกิเลสิกะทุกกะสังกิเลสิกาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสอสังกิเลสิกาธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสสังกิริทธุกกะสังกิริทธาธรรมมาสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมอง อสังกิริถาธรรมมาสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองสกิเลสสัมปยุตตะทุกกะกิเลส Gotta, สัสมปยุตตาธรรมมาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยกิเลสกิเลสวิปยุตตาธรรมมาสภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสห้ากิเลสสังกิเลสิกะทุกกะกิเลสาเทเจวะธรมมาสังกิเลสิกาจัก สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสสังกิเลสิกาเจวะธรรมาโนจะกิเลสาสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสหกิเลสสังกิริทัทุกกะกิเลสาเจวะธรรมาสังกิริทหาจะสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองสังกิริทหาเจวะธรรมาโนจะกิเลสา สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเจ็ดกิเลสกิเลสสัมปยุตตะทุกกะกิเลสาเจวะธรรมมากิเลสสัมปยุตตาจะสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสกิเลสสัมปยุตตาเจวะธรรมาโนจะกิเลสาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสแกิเลสวิปยุตตะสังกิเลสิกะทุกกะ กิเลสวิปยุตตาโขปณะธรรมาสังกิเลสิกาปิสภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสกิเลสวิปยุตตาโขปณะธรรมาอสังกิเลสิกาปิสภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสกิเลสโคจัตกะจบ 13. ปิติทุกกะหนึ่งทัศเนปหาตัพทะทุกกะ ทัศนีนปหาตัพธาธรรมมาสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักนทัทศนีนปหาตัพธาธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักสองภาวนายะปหาตัพทุกกะภาวนายะปหาตัพธาธรรมมาสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามนภาวนายะปหาตัพธาธรรมมา สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามสทัศนีนะปหาตัดพเหตุุกะทุกกะทัศนีนะปหาตัดพเหตุกาธรรมมาสภาวธรรมที <astrolog> ่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัตินทัศนีนะปหาตัดพเหตุกาธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัติ 4. ภาวนายะปหาตัดพเหตุกะทุกกะ ภาวนายะปหาตับพเหตุกาทำมาสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามนภาวนายะปหาตับพเหตุกาทำมมาสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาหสวิตตะกะทุกกะสวิตตะกาทำมมาสภาวธรรมที่มีวิตกอวิตตะกาธทำมาสภาวธรรมที่ไม่มีวิตก สวิจาระทุกกะสวิจาราธรรมมาสภาวธรรมที่มีวิจารณ์อวิจาราธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่มีวิจารณ์เจสปีติกะทุกกะสปีติกาธรรมมาสภาวธรรมที่มีปีติอัปปีติกาธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่มีปีติ 8. ปีติสหคตะทุกกะปีติสหัคตาธรรมมา สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติณปีติสหคตาธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยปีติ 9. สุขสหคตะทุกกะสุขสหคตาธรรมมาสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขณสุขสหคตาธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยสุขสิอุเปกขาสหคตะทุกกะ อุเบกขาสหคตาธรรมมาสภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาณอุเบกขาสหคตาธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขา11กามาวจระทุกกะกามาวจราธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรณกามาวจราธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจร 12. บรูปาวจระทุกขะ รูปาวจรธรรมมาสภาวธรรมที่เป็น <üst> ร <compt a> ูปาวจรนรูปาวจรธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจร 13. อรูปาวจรทุกกะอรูปาวจรธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรนอรูปาวจรธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจร14ปริยาปณทุกขะ ปริยาปัน า, นาธรรมาสภาวธรรมที่นับเนื่องในวัตวทุกข์คือโลกิยะอปริยาปัน า, นาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตวทุกข์คือโลกุตระสิหนิยานิกะทุกกะนิยานิกาธรรมาสภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์อนิยานิกาธรรมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุสิบหกนิยตทุกกะ นียตาธรรมมาสภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนอเิียตาธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นสิเจ็สัุตตะทุกกะสอุตตราธรรมมาสภาวธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอนุตตราธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าสิบปสาระทุกกะสรณาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ ร้องไห้อรณาธรรมมาสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ปิติทุกกะจบอภิธรรมทุกกะมาติกา สุดตันติกะทุกกมาติกาสี่สิบสองทุกกะหนึ่งวิชาภาคีทุกกะวิชาภาคิโนธรรมมาธรรมที่มีส่วนแห่งวิชาอวิชาภาคิโนธรรมมาธรรมที่มีส่วนแห่งอวิชาสองวิชูปะมะทุกกะวิชูปมาธรรมมาธรรมที่เปรียบเหมือนสายฟ้าวัชิรูปรมาธรรมมาสัพธรรมที่ เปรียบเหมือนฟ้าผ่าสามพารทุกกะพาลาธรรมมาทมที่ทำให้เป็นผานปัณฑิตาธรรมมาทำที่ทำให้เป็นบัณฑิตสกันหะทุกกะกันหาธรรมมาทำที่ดำสุกกาธรรมมาทำที่ขาวหตะปนยะทุกกะตะปนียาธรรมมาทำที่ทำให้เร่าร้อนอตตะปนญยาธรรมมาทำที่ไม่ทำให้เร่าร้อน หอธิวจนะทุกกะอธิวจนาธรรมมาสภาวธรรมที่เป็นชื่อสัทธบัญญัติอธิวจนะปถาธรรมมาธรรมที่เป็นเหตุแห่งชื่อ 7. นิวรุตติทุกกะนิวรุตติธรรมมาธรรมที่เป็นนิวรุตคือสัทธบัญญัตินิวรุตติปถาธรรมมาธรรมที่เป็นเหตุแห่งนิรุตติ 8. ปัญญัติทุกกะปัญญัติธรรมมาธรรมที่เป็นบัญญัติ ปัญญาติปัาธานมาทำที่เป็นเหตุแห่งบัญญัติ9นามรูปะทุกกะนามันจะนามรูปัญจะรูปสิ 10. อวิชชาทุกกะอวิชชาจะความไม่รู้ภวะตันหาจะความปรารถนาพบสอภวทิฏฐุกกะภวะทิฏฐิจะความเห็นว่าเกิดวิภวทิฏฐิจะความเห็นว่าไม่เกิดสิบสอง สัตสตทิฏฐิทุกกะสัตสตทิฏฐิจะความเห็นว่าเที่ยงอุจเฉตทิฏฐิจะความเห็นว่าขาดศูนย์สอันตวาทิฏฐิทุกกะอันตวาทิฏฐิจะความเห็นว่ามีที่สุดอนันตวาทิฏฐิจะความเห็นว่าไม่มีที่สุดสิบสีปุพพันตานุทิฏฐิทุกกะปุพพันตานุทิฏฐิจความเห็นปรารบส่วนอดีต ปารันตานุทิฏฐิจะความเห็นปรารพส่วนอนาคตสิบห้าอหิริกะทุกกะอหิริกันจะความไม่ละอายบาปอโนตะปัญจะความไม่เกรงกลัวบาปสิบหกหิรีทุกกะหิรีจะความละอายโอตะปัญจะความเกรงกลัวสิบเจ็ดโทวจัจจสตาจะสิบเจ็ดโทวจัตจสตาทุกกะ โวจจสตาจะ ค, ความเป็นผู้ ว, ว, ว, ว, ว่ า, า ย, ยากปาปมิฏตาจะความเป็นผู้มีมิดดตรจฉุก 18. โสวจจสตาทุกะโสวจจสตาจะความเป็นผู้ว่าง่ายกัลยาณมิฏตาจะความเป็นผู้มีมิตรดี 19. อาปัติกุลตาทุกกะอาปาติกุตตะลาจะความเป็นผู้ฉลาดในอาบัตอาปัติุทธานกุลตาจะ ความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากอาบัติยีสสมาปติกุศลตาทุกะสมาปติกุศลตาจะความเป็นผู้ฉลาดในสมาบัติสมาปติพุทธานักุศลตาจะความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากอาบัติยี่สเอดทาตุกุศลตาทุกกะทาตุกุสลตาจะความเป็นผู้ฉลาดในท่ามณสิกาลกุศลตาจะ ความเป็นผู้ฉลาดในมนัสิกาล22อายตนะกุศลตาทุกกะอายตนะกุศลตาจะความเป็นผู้ฉลาดในอายตนะปฏิจจสมุปาทกกุศลตาจะความเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปาย23ฐานกุศลตาทุกกะฐานกุศลตาจะความเป็นผู้ฉลาดในฐานะอัฏฐานกุศลตาจะความเป็นผู้ฉลาดในอัฏฐานะ 24. อาชวะทุกกะอาชวโวจะความซื่อตรงมัทโวจะความอ่อนโยน 25. หขันติทุกกะขันติจะขันติโสรั จ, จันจะโสรั จ, จะ 26. สาขารยะทุกกะสาขารยันจะความเป็นผู้มีวาจาอ่อนหวานปฏิสันถารโรจะความปฏิสันฐาน 27ออตต็อินทรียสุอคุตตทวารตาทุกกะอินทรียสุอนุตตทวารตาจความเป็นผู้ไม่สำรวมทวารในอินทรีทั้งหลายโพชเนอะมาตัญยุตาจความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสอินทรียสุคุตตทวารตาทุกกะอินทรียสุคุตตทวารตาจ ความเป็นผู้สำรวมทาวารในอินทรีทั้งหลายโภชเนมัตตัญยุตาจะความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค29่มุทธสัจจะทุกกะมุทสัจจัญจะความเป็นผู้มีสติหลงลืมอสัมปัญญัญจะความเป็นผู้ไม่มีสัมปชัญญะ30สติสัมปชัชฌยะทุกกะสติจสติสัมปชัญ ญ, ญัญจะสัมปชัชญยะ สาอปฏิสังขานภะละทุกกะปฏิสังขานภัลัญจะกำลังคือการพิจารณาภาวนาภลัญจักกำลังคือภาวนา32สมถวิปัสนาทุกกะสมถโจอจสมถาวิปัสนาจะวิปัสนาสามสมถนิมิตตทุกกะสมถนิมิตตันจะนิมิตแห่สงสมถะ ปัจหะนิมิตตันจะนิมิตแห่งความเพียร34ปัคาหทุกกะปคจาโหจะความเพียรอวิเกโปโจะความไม่ฟุ้งซ่านสามสิบหีลวิปัติทุกกะสีลวิปัติจะความวิบัติแห่งศีลทิฏฐิวิปัติจะความวิบัติแห่งทิฏฐิ36มสีลสัมปทาทุกกะสีลสัมปทาจะ ความสมบูรณ์แห่งศีลทิฏฐิสัมปทาจะความสมบูรณ์แห่งทิฏฐิ37ศีลวิสุทธิทุกกะศีลวิสุทธิจะความหมดจดแห่งศีลทิฏฐิวิสุทธิจะความหมดจดแห่งทิฏฐิ38ทิฏฐิวิสุทธิโขปณะทุกกะทิฏฐิวิสุธทสธิโขปณะความหมดจดแห่งทิฏฐิยถาทิฏฐิสัจะ ปานังความเพียรของบุคคลผู้มีความเห็นหมดจด 39. สังเวชนียัฐานทุกขะสังเวโคจะสังเวชนียสุฐานเนสุความสังเวชในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสลดใจสังวิคขส จ, จะโยนิโสปทานังความเพียรโดยแยบคายของบุคคลผู้สลดใจ 40. อสันตุติตากุศล ธ, ธรรมทุกขะ อสันตุติตาจะกุสเลสุธรรมเมสุความเป็นผู้ไม่สันโดษในธรรมที่เป็นกุศลอปติวานตาจะปธานัจมิง่งความเป็นผู้ไม่ท้อถอยในความเพียรส1อวิชาทุกกะวิชาจะความรู้แจ้งวิมุตติจะความหลุดพ้นส2่สิองเยายานะทุกะคเยายานังยาในอริยมรรค อนุปปาเทยานังยาในอริยผลสุตตันติกะทุกะมาติกะจบมาติกะจบ